ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสัขรังเอวเมิวิโตทินังเปตานังอุปาปปติอิจิตังปติตังสุมหังสิปเมวะสมิจันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยาถามณีโชติระสุยะถา อโยวิวาชันตุสัพพโรขุวินาสตุมมาเตภาวันวันสราอยสุขีทิพย์ขุนภาวันพิวันทนาเตลิลสาเน จ้างวัวทานป่าใจยยน้อยจ่าตาโรธานมวันทานที่อายุวันน้อยสุขาอลาลังสัพพุทธานุภาเวนัสัพพาม นุภาเวนัสาสังคานุพาเวนัวทตรารานังธรรมารตาังสังขารตานังสิณรตานางนางอนุภาเวนอาจัตุรัสีติสหัสาธมาคัน นุภาเวนปิตาการไกยานุภาเวนะชินาสาวาการนุภาเวนะสามเพเตโรค เทเทภยาสัพเทเทอันสรายยาสัพเพเทอุปาทาวัสัพเพเททุนลิมิตการสัพเเทอาวามังคางลาวินาสันตุอายุวันทาครท่านาวัน ธาโกิริวัตธาโกยะสาวัตท่าโกภาวัตธ่าโกวันณวัตท่าโกสุขาวัตทาโกโหสุสาปธาตุคารวะคาภิยะ สันตุจุภาทว า, าเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจติสัน ส, สัยยสีติทานาอังสุทิภาคยังสุขังภาลังทิริหายุจ ว, วันโนยจับหองคังวุตร ติจายสัตว์สัตว์สัญญาอยู่จะชีวสิทธิภาวนุเตมภาวนุสาภามาณราคันูสาภาเทวชาสาพาพุทธนูภาเวนสันทัส เิพาวันตูเตมพาวันตูซาผะมังกาลังปรากันตุสามปตาสาพาธรรมะนุภาเวนัสตาสดทิพาวันตูเตมพวันตูซาผะมังกาลังปรากันตุสาม วาจาสัพสังหาโนอาเวนสัทสุธีภาวันตุเต